เลี้ยงเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงควายในอินเดียตอนที่ท่านบำเพ็ญทุกขก์กิยาแล้วจะไปลมสลบไปนะว่าเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยเอ า, เอาน้ํานมเนี่ยไปหยอดปากท่านแล้วก็ฟื้นคืนมาแล้วตอนออกเุยแพร่ใหม่ๆก็ก็เผยแพร่กับเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มแรกในเวอร์ชันของท่านนะจริงไหมจริงไหมรู้น ะ, ะแล้วก็ท่านก็สอนเรื่องตื่นรู้เหมือน เรื่องจริญสติเรื่องตื่นรู้สัมพุทธสตนินิพุตินิพุติที่แรกท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องตื่นรู้แบบในเวอร์ชันของเราพูดถึงว่าให้เด็กรู้เนื้อรู้ตัวทำอะไรให้รู้เนื้อรู้ตัวไปเด็กก็มาเรียนมากขึ้นทุกวันทุกวั น, วนถ้าอย่างนั้นว่าสมณะสอนเรื่องนี้พระสมณะก็เป็นนิพุตตินิพุติแต่ว่าตื่นรู้ แล้วตื่นรู้ก็คือพุท ธ, ธเป็นนิพุ ช, พชติพุชติพุชติเป็นพุทธท่านก็เป็นผู้ตื่นรู้ก็เลยเด็กเนี่ยตั้งชื่อกันว่าพุท ธ, ธให้ตั้งชื่อให้พระพุทธเจา้าพระสมณะคนเนี่ยมาจากก็ว่าไปพากลุ่มของเด็กเนี่ยฝึกคือตอนนั้นก่อนที่จะเดินทางไปนึกถึงใครที่จะใครจะปรดใครก่อนเนี่ยนึกถึงอาจารย์ทั้งสองก็บอกเขาว่าตายไปแล้วก็นึกถึง เพื่อนหรือสีทั้งห้าเนี่ยก็จะเดินทางในช่วงที่เดินทางไปเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงควายเด็กแลงแกะที่ต่างท่านก็พูดเรื่องเนี้ยคุยกับเด็กไปเด็กก็เลยว่าถ้าท่านผู้เรื่องนี้ก็ท่านก็เป็นผู้ถือลูกก็คือผู้โทพุทักในชื่อนี้ก็ได้ถูกตั้งโดยเด็กเองท่านรอดเพราะชีวิตเพราะเด็กอันนั้นผลประโยชน์ที่ได้จากการแสดงหนังเรื่องเนี้ยให้เอามาตั้งเป็นกองทุนสงเคราะห์ เด็กในอินเดียทั้งหมดก็ตกลงพุนประโยชน์กันแล้วนะอันนี้ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงพวกนักแสดงฮอลลีวูดไม่ไม่มีใครรับทั้งหมดอะ่ะเพราะพวกพวกคนคิดพวกพวกอิสลามใช่ไหมเขาก็รับเงินไขไม่ได้ก็เลยตกลงกันไม่ได้ตอนนั้นที่มาไปเนี่ยเาเขาพูดเออกเออท่านมาเรื่อยๆเดี๋ีวอาน จ, จะได้เข้าฉากกับเขานะ พรากำลังเลือกพระเอกมีทะพระไทยองค์หนึ่งชื่อท่านพิทยาเรียกไทยพิทยานะเป็นคนเป็นคนนครศรีธรรมราชไปอยู่ที่นั่นท่านอยู่ที่นั่นนานนะเมื่อปีกายออกมาไปเจ อ, อทีหนึ่งเอาตอนแรกท่านบวชเป็นแบบบรลปมเนี่ยใส่ชุดสีดําสีกรักเนี่ยเอาไปเจออี่ท่านเป็นกะเป็นเทรวัตใหม่ไปเจอที่เดียวกาคนะเอาท่านออกมาได้ทะไรผมออกมาได้สองปีแล้วเออทำไมอะ มีปัญหากันหนูกันอ้าวปัญหากไปทํา ม, มาท่านจะเดินไปทางทไปที่สวิตเซอร์แลนด์เรามีพระสาขาหลวงพ่อชาองค์หนึ่งไปตั้งวัดในในป่าท่านจะไปทำบันสาที่นั่นก็เลยเจอได้คุยกันเรื่องความเป็นไปเป็นมาเอาเรื่องที่จะแสดงว่าจะเอาท่านเนีเป็นพระเอกหนังเรื่องนี้อทําไมคือท่านรูปหลอนนะจะบูดงแล้วก็ห่มก็ไม่ไม่ตกลงกันเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์หนูกั้น อดละลายฮิววิสไม่ยอมต่อมาก็เศรษฐีชาวอินเดียนะที่สร้างมหาเจดีย์ผู้ท่านให้แก่พระพุทเจ้าเนี่ยก็สร้างนั่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะทําหาเจดีย์นี้สำเร็จก็คงจะส่วนหนึ่งก็ทางอินเดียเขาคงไม่เห็นด้วยก็จะเอาอพุทธศาสนาแบบของมหายานแบบท่านที่ได้ท่านเนี่ยนะใหเป็นเวอร์ชันทั้งหมดพอมัเป็นมหายานแต่ทางอินเดียเขาต้องการให้เป็นเวอร์ชันของเทรวาสท่านก็แต่งตัวเป็นชุดเถรวาสนี่นึกเห็นอยู่ มีความได้รู้ความเป็นมาที่หน่อยแต่ว่ายังแล้วก็ตามคอนเดีย์ว่าจานวนการภาคอะไรทั้งหมดเนี่ยคอยใช้ของพราะนส่วนหนึ่งของบัรฑพาลก็ได้ประโยชน์จากการคอยใช้คำภาคทั้งหมดในสนวงท่านที่ได้ทันฟังใช่ใชไหมเรื่องคำพูดเรื่องอะไรเนี่ยสละสลวยสมัยใหม่เพราะใช้เป็นภาษาของเทราวาสยิ ย, ย่เป็นภาษาบาลีภาษามคตเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะไม่ทันสมัย เขมาใช้สมนวนของความวิเลดชก็อาจจะได้ไปผลประโยชน์ไปส่วนหนึ่งและท่า mm hmm. นนั้นเองก็ได้ไปมีส่วนรับรู้เรื่องนี้กับเขาด้วยว่าโอ้ันั้นเลยในะสมนวนของทำความวิเดชทั้งนั้นเลย เ, าาา เ, ลยนะเราพากันเนีนะแล้วเป็นสมนวนที่ทันสมัยไฟร์ mm hmm. ภาษาดอกไม้ที่ท่านพูดนะแต่ว่าเพื่อเอกก็รอพวกท่านมากการทำพิธีกรรมของเรานะ mm hmm. พิยาก็เราหน้าไทยๆนะน่ะคงแบบอันนี้เขาหน้าในอินเดียวออกเต็มที่นี่นะ เชื่ออะไรนะที่มา อ, าออกโชว์ในรายการโทรัศไทยทั้งหลายแห่งเนีเชื่ออะไรเป็นฮินดูนะแล้วก็พาแฟนเข้ามาด้วยชื่อทุมาคุมาทูคุมาทูยอะไรอ่างาเสยอย่างนี่แหละอ<ช>ันนั้นเองก็<ช>เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการฟืร้นฟูพุทธศาสนาขึ้นมานอินเดียอย่างสำคัญแล้วล่าสุดก็เลือกนายกเป็นชาวพุทธด้วยใช่ไหม ประธานาธิบดีหรือนาะยกต่างมณฑีที่เรียกไวปเ น, ะนี่ยประธานาธิบดีใช่ไหมเป็นชาวพุทธเป็ น, นคนจันทานด้วยนะเออเนะี่ยเอามีเกี่ยนพิธีรับสินห้าสิณนะูณายกเราหน้าอายมากเลยนะอันนั้นว่าเป็นชาวพุทธเราเก้าสิบกว่ปอรเซ็นตนะแต่ของเรากับ อ, อไม่รู้จะรอดหรือเปล่าพุทธศาสนาในประเทศไทยดูแล้วเนี่น้าเป็นห่วงอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องนํามาพระลให้กันฟังว่า ทุกวันนี้กําลังตื่นตัวนะคนกังตื่นตัวเรื่องพุทธศาสนาเพราะยิ่งศึกษาไปมายิ่งท้าพิสูจน์ว่าความเป็นวิทยาศาสตร์ในพุทธศาสนานี่ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในจุดเนี้ถ้าหากว่าใครมีพื้นเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนแล้วมาศึกษาพุทธศาสนานเนี่ยมันอ่าเวอร์ชั่นเดียวกันหมดแต่ว่าในนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบในแง่ของทางด้านรูปธรรม แต่สิ่งผู้ทีเจ้านํามาก่อนเป็นการค้นพบทางด้านธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ทางนมามธรรมพนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ไปเรียนรู้คมภีธรรมพุทธศา ส, สนาทั้งโดยตรงและเดี่ยอ้อมในหลักของวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็มาประยุกต์เป็นด้านวัตถุซึ่งความจริงแล้วนี่ผู้ทีเจ้ารู้เรื่องทั้งหมดทางที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมนามธรรมแต่ทําไมท่านไม่เผยแพร่หลักการของวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมมีคนถามอยู่ ว่าท่านตรัสบอกว่าณสิยาโลกวัตโนอย่าไปทําโลกนี้ให้ละเอียดประณีตให้เจริญมากกว่านี้เลยเพราะมันจะไปทําให้คนยึดติดแล้วคนก็จะหันหลังให้กับพระศาสนาแล้วจะเกิดสงครามตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคนจะแย่งวัตถุกันเพอวัตถุยิ่งละเอียดยิ่งประณีตเท่าไหร่คนก็ยิ่งยึดติดเมื่อยึดติดแล้วก็จะมีการครอบครองเมื่อครอบครองก็มีการแย่งชิง เมื่อมีการแย่งชิงก็มีการทำสงครามเพราะนั้นท่านจึงประกาศตรงกันข้ามคือประกาศสันติภาพแทนที่จะประกาศสงครามประกาศสันติภาพคือใช้นิพานเป็นอุดมการหลักนะเะนั้นเองเรื่องที่เราปฏิบัติทีนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยทันสมัยถึงว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราได้ตรวจสอบแล้วก็คิดว่า ต่อไปพวกเราจึงศึกษาเรื่องนี้ให้ใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าชาวต่างประเทศที่เขาเป็นชาวพุทธก็จะมาศึกษามาทํามไถ่เรื่องนี้ถ้าหากว่ามาเจ อ, อผีเจอพรามเจ อ, อโลก t r a ดิชั่นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เขาดูถูกได้ดังนั้นเองนี้ส่วนหนึ่งก็ไปจากพระ ฝรั่งชาวต่างประเทศที่มาฟังตัวศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยศึกษาด้านทฤษฎีตำรามาจากพม่าและลังกาแต่มาศึกษาภาคปฏิบัติที่ประเทศไทยพอกลับไปประเทศเขาเขาก็เปลี่ยนพุทธศาสนาเป็นเวอร์ชั่นของเขาไม่เหลือเรื่องของการประเพณีท้องถิน่นแบบพุทธศาสนาของเราไว้เลยเขาเลาะเอาแต่สาระไปนะนั้นเองสิ่งที่พยายามสื่อความหมายกันที่นี่ก็คือให้มัน มีเหตุมีผลที่พิสูจน์ได้ทุกเรื่องให้เห็นเป็นเรื่องอรูปธรรมน ะ, ะในช่วงบ่ายมีเพื่อนของชีพึ่งเนี่ยมามาพบมาก็แวะไปพบพักหนึ่งก็เขาอยากศึกษาและปฏิบททัติเรงนี้ก็ถามว่าผ่านหลักการของใครมาบ้างผ่านหลักการในลักษณะของเราเนี่ยมาหลายท่านแต่ถามว่าหายสงสัยหรือยังก็ยังไม่หายสงสัยเพราะอะไร เพราะว่ายัางทําความรู้สึกตัวต่อเนื่องยังไม่ได้ไปทําในรูปแบบช่วงเช้าช่วงเย็นครั้งละครึ่งชั่วโมงอย่างงี้นะก็มันไม่พอนะมันไม่พอก็เลยบอกว่าให้ทําความรู้สึกตัวต่อเนื่องเยอย่าไปคิดเป็นในรูปแบบแต่ให้ทํานอกรูปแบบไดให้มากที่สุดนอกรูปแบบหมายถึงว่าทําตัวรู้ให้ต่อเนื่อง ไม่ใช่ไปทำการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องแต่เปลี่ยนจุดเส้อใหม่เมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ศึกษาเรื่องตัวรู้เนี่ยเราเคลื่อนไหวเพื่อทำอะไรเนี่ยหมายถึงว่าไปเน้นที่วัตถุที่สองที่สามที่สีนอกตัวแต่พอเรามาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการกลับมาหาวัตถุที่หนึ่งคือรูปกับนามนะ ถ้าสมมติเราใช้วัตถุที่สองที่สามที่สี่ออกไปจิตของเราก็จะถูกแบ่งแยกออกไปจากตัวแล้วมันก็จะให้น้ําหนักลงไปกับวัตถุที่เราไปสัมผัสแม้แต่ว่าหนังสือสวดมลนเนี่ยแต่ ว, ว่าเราอยู่ใกล้เนี่ยใกล้ตัวที่สุดแล้วพอไปขึ้นโปรเจคเตอร์มันก็ยิ่งห่างตัวเราอีกใช่ไหมจิตของเราอยู่ที่นู่นแล้วทีเนี้ยอ่านังสือเรียกว่าอยู่ใกล้ยังพอที่อยู่แต่ทางที่ดีที่สุดคือให้จํา เพราะนั้นสวดไปสวดมามาจําได้เกิดทั้งเล็บในหนังมือสีนะเพราะอะไรเพราะมันสวดทุกวันมันก็เกี่ยวกับจำได้เ<ม>ช่นเดียวกันเวลาเราเกี่ยวข้องกับตัวเองเนะให้เกี่ยวข้องสิ่งที่ในตัวเนี่ยให้มากที่สุดเพื่อจะได้สัมผัสสัมผัสนึงไปในอ่าส่วนต่างๆของความรู้สึกทั้งอยากกลางละเอียดและจิตของเราที่เราเข้าไปเห็นความรู้สึกสัมผัสต่างๆมันก็เริ่มเห็นอะไร ชัดเจนสว่างขึ้นสว่างขึ้นไม่ใช่ลักษณะต้องเป็นการสร้างอิมเมจหรือสร้างจินตนาการแต่มันเป็นการสัมผัสลงไปในความรู้สึกนะดังนั้นเองแทนที่ในวิธีการที่แทนที่เราจะไปใช้วัตถุนอกตัวเช่นใช้รูปธรรมใช้เทียนใช้ถูกใช้เพ่งหรือใช้บริกรรมลูกแก้วลูกอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้ถ้าทั้งสร้างจินตนาการขึ้นมา ในเป็นรูปของสัญญาต่างๆก็ถือว่าเป็นวัตถุที่สองอยู่วัตถุที่สองคือเป็นนามมรูปไงเพราะตัวเราเป็นรูปนามใช่ค่อยสร้างสัญญาขึ้นมาก็เป็นนามวรูปก็ถือว่าเป็นวัตถุที่สองถึงแม้จะอยู่ในกายในใจก็ตามก็ยังเป็นใช้สัญญาเพราะอะไรสัญญานี่อยู่ในขันห้าใช่ไหมขันห้าก็ตกอยู่ในโกฎของอะไรของไจรักใช่ไหมค่อยสัญญาค่อยเสื่อมแต่พอมาจับสั ที่สัญญาใหม่มันก็คือสัญญาตัวนี้เป็นสัญญาใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเรียกว่าเป็นตัวตื่นรู้หรือตัวรู้สึกเนี่ยมันเป็นสัญญาใหม่ที่เรียกว่ า, า mindfulness หรือว่า aware ซึ่ง aware ในภาษาฝรั่งเขา c a l aware ถึงด้านวัตถุ aware ถึงด้วยสัญญาไม่ใช่ aware ด้วยความรู้สึกตัวแต่เราจะมาใช้คําหมายว่า mindfulness mindfulness แปลว่าเต็มใจใช่ไหมมีใจ นะแต่เอเวรนี่ก็คือสังวรแล้วมันระวังตนักรู้ในสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่การเป็นการเข้ามาเกี่ยวจิตโดยตรงนะเพราะนั้นเวลาฝึกเนี่ยเราจึงต้องพยายามตั้งตั้งจิตอยู่ในลักษณะของการความรู้สึกนะความรู้สึกตัวความรู้สึกใจเราไม่เรียกว่าจิตนะเรียกว่าใจ คือมันเป็นสาระของความรู้สึกที่สัมพันธ์กันระหว่างรูปกับนามนะสมมุติว่าเราจุดเทียนไขที่หนึ่งเล่มเนี่ยสาระที่เป็นวัตถุคือตั ว, ต, วตัวเทียนนะสาระที่เป็นต่อออกมาเป็นพลังงานคือแสงแคือดวงไฟทั้งแสงไฟและดวงไฟเนี่ยไม่ใช่เป็นปัจจัยที่เราต้องใช้มันโดยตรงใช่ไหมแต่ปัจจัยที่เราใช้มันโดยตรงคืออะไร คือแสงไฟใช่ไหมคือแสงไฟดังนั้นความรู้สึกจากกายเนี่ยเย็นดอนอ่อนแข็งเค็งตึงนะเปรียบเส ม, มือนที่เป็นตัวแสงไฟแล้วถ้าสีดิน้โรมไฟเปรียบเส ม, มือนตัวเทียนนะดังนั้นสิ่งที่สองอย่างนี้มาสัมผัสสำคัญนะแล้วเณ็นพลังงานอันหนึ่งคือตัวสภาวะที่เป็นทุกขเวทนาคือแสงไฟและ ออกจากแสงนั้นมาที่เราเข้าไปรับรู้ได้คือ ค, อความรู้ความรู้สึกต่อสิ่งนั้นตัวนี้ต่างหากที่เรียกว่าใจหรือเราวิญญาณใช่ั้มจิตวิญญาณทั้งจิตทั้งวิญญาณก็อยังอยู่ในขันห้าอยู่ต่อเมื่อเราเอามาใช้คำว่าญาณมันถึงแยกออกมาเป็นตัวรู้ต่างหากซึ่งเราเอามาสร้างดังนั้นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของธรรมจักรกับสูตรที่มา ในธรรมจักเขาบอายาณังจกคุงุทัป ธ, ธิเขาว่าจักคุงุทัปธิได้แก่อะไรได้แก่ญาณได้แก่ปัญญาวิชาแสงสว่างใช่ไหมทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นแสงสว่างคือต้องมีตัวรู้แล้วก็ต้องมีตัวรู้ผู้ทั่วและจะต้องมีตัวรู้ที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นตัวรู้ที่ให้ความสว่างสวายภายในก็คือตัวสติสัมปชัญญะและปัญญานั่นเอง ดังนั้นเราก็จะมารวมทั้งสี่อย่างเนี่ยทั้งสติสมรยะสมาธิปัญญาทั้ง4ตัวทั้งญาณทั้งปัญญาทั้งวิชาและอลารมกะทั้ง4ตัวนี้ก็เป็นตัวรู้รวมกันเรียกว่าตัวรู้แต่ตัวรู้นี่มันจะต้องมี3ระดับตัวรู้ระดับหยากระดับกลางระดับละเอียดทีนี้ใน3ระดับในตัวรู้หยาบกลางละเอียดทั้งฝ่ายรูปก็ได้ความรู้ที่เราความรู้สิ่งที่เราทนไม่ได้ในส่วนหยาบก็ต้องเปลี่ยนออกไป สความรู้สึกตัวในกายที่เราทนได้เราก็ตามดูต่อไป3ความรู้สึกตัวที่เราไม่ต้องทนละเอียดเรียกว่าสุขเวทนา2ระดับต้นคือระดับอย่างร ะ, ระดับกลางและระดับหยาบก็คือเป็นทุกขเวทนาทางกายนั่นเองอแต่ว่าระดับละเอียดจะเป็นสุขเวทนาทางกายเรามักจะรู้แค่2ระดับคือระดับที่เราทนได้กับทนไม่ได้ใช่ไหมแต่ทัวรที่เราไม่ต้องทน หรืทนง่ายเนี่ยคือสุพเวทนาดูนี้ตางหะที่เราต้องการแต่มันก็เป็นเวทนาใช่ไหมนะทีนี้อีกสามระดับคือหยาบกลางละเอียดของทางใจหรือทางจิตเนี่ยเช่นเราอยากจนทนไม่ได้อยากจนทำลายหล่ใช่ั้มฉันอยากว่าขึ้นทนไม่ไ ด, นนไได้ฉันกินเลยฉันอยากจนทนไม่ได้ฉันตบหน้ามันเลยฉันอยากจนทนไม่ได้ต้องพูดต้องด่าลงไปเนี่ย คือเรียกเรียกว่าหยาบคือความรู้สึกที่หยาบจนทนไม่ได้ก็เกิดไม่สามารถจะยั้งจิตอยู่อันที่สองคุ้นอยู่ในใจไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกมาแต่ว่าพอทนได้อยู่ก็พอระ ง, งับได้อยู่อันนี้ความรู้สึกทางจิตที่เป็นระดับกลางอยู่พอทนได้แล้วอาจจะหายไปหรือปัทุแรงขึ้นก็นแล้วแต่เหตุปัจจัยตัวประกอบถ้ามันปะทุแรงขึ้นก็เป็นความรู้สึกที่ทนไม่ได้ ต้องทำตามบีบังคับนะความตัะหาต่างๆแล้วก็ความรู้สึกทางใจที่ทนได้สบายคือความรู้สึกชอบใช่หมความรู้สึกทนไม่ได้คือความรู้สึกไม่ชอบและไม่ชอบมากๆแต่ความรู้สึกชอบนะี่คือความรู้สึกที่ละเอียดทั้งสามระดับเนี่ยตอนนั้นในความรู้สึกกายรู้สึกใจทั้งอย่างแรกสามระดับเนี่ยมาบวกกันเข้าแล้ว ในส่วนความรู้สึกทุกขเวทนาทางกายระดับกายก็ยเป็นการเกิดเกิดในส่วนที่ทนได้ก็ทนไม่ได้เป็นการเกิดในส่วนที่ไม่ต้องทนเรียกว่าสุขเวทนาก็เป็นการดับทางหนึ่งดังนั้นพอมันไอ้การดับคือความรู้สึกรู้สึกสบายเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปตามกฎขอ้อนิจังการดับคือความสุขความรู้สึกสบายผ่อนคลายกลายมาเป็นหยาบขึ้นมา เป็นความรู้สึกที่พอทนได้พอหยาบขึ้นไปก็เป็นทนไม่ได้นั้นการความรู้สึกหยาบกลางละเอียดเนี่ยเป็นความรู้สึกอันเดียวกันใช่แต่ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นอาการทั้งเกิดระดับในตัวของมันเองในขบวนการเดียวกันเพราะนั้นการเกิดการดับก็เป็นขบวนการเดียวกันแต่แบ่งชั้นความรู้สึกความรู้สึกชอบมไม่ชอบมากมาก ไม่ชอบและความรู้สึกชอบก็เป็นกระบวนการเดียวกันนี่การเกิดการดับทางจิตทั้ง2 อ, อย่างนี้เรียกว่าการเกิดการดับของอารมณ์เมื่อเห็นการความรู้สึกทางใจทั้งสามระดับที่เราทนได้ที่เราทนไม่ได้และก็ไม่ต้องทนนะถ้าเห็นความสัมพันธ์ทั้งสาอย่างนี้ชัดเจนเรียกว่าเห็นการเกิดดับทางอารมณ์ทันไหมทันน ะ, ะทีนี้ เมื่อเราจะไปเห็นการเกิดดับของอารมณ์คือการเกินการการเกิดดับทางความคิดเนี่ยทั้งสามระดับได้ทั้งเกิดดับของกายก็ทางส่วนทุยทนไม่ได้ทนได้แล้วก็ทนได้ง่ายๆหรือไม่ต้องทนเวทนาทั้งจิตทั้งอารมณ์เราก็จะไล่กันไปไล่กันมาอย่างนี้ทบทนตรวจสอบวดไปกันมาจิตของเรามันก็จะมาซึมซับรับรู้ต่อเวทนาทั้งสามขั้นตอนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น ชัดขึ้นชัดขึ้นนานขึ้นนานขึ้นความรู้สึกที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งนี้เรียกว่าเป็นสัญญาใหม่ตัวนี้มันเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาจากขันห้ามันอยู่นอกเหนือขันห้าแต่มันพัฒนามาเหมือนกับต้นไม้กับผลไม้เนี่ยผลไม้ไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่ผลไม้แต่มันเกิดมาจากส่วนเดียวกันดังนั้นถ้าต้นไม้เนี่ยมันไม่มีผลเนี่ยมันจะมีเมล็ดไหมมันก็ไม่มี ถ้าหากว่าความรู้สึกอันนี้มันมีแต่ความมีแต่ความรู้สึกที่หยาบและกลางเนี่ยถือเป็นต้นตอของมันแต่ความรู้สึกละเอียดคือความที่รู้สึกสบายเนี่ยเป็นผลของมันนะแต่ที่นี้ผลมีสองลักษณะผลที่เป็นต้องเปลี่ยนแปลงคืออยู่ภายใต้อำนาจของใจรักคือผลที่เป็นรูปแต่ในส่วนผลที่เป็นนามคือนอกเหนือกดของใจรักในส่วนที่นอกเหนือกดของใจรัก นี่เองเราก็ความรู้สึกที่หยาบนะความรู้สึกที่หยาบเช่นความไม่พอใจมากๆหรือความรักมากๆความชังมากๆที่จนทนไม่ได้ต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยก็ถือว่าหยาบตัวนี้มันกลับมาเป็นรูปเรียกว่านำมาลูปแต่ในความรู้สึกสบายผ่อนคลายเองก็เป็นนามารูปอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเรา สามารถจะแยกออกได้ว่าความรู้สึกพอใจอยากกับกลางเนี่ยเป็นอาการที่ร้อนใช่ไหมแต่ในส่วนที่ความรู้สึกพอใจที่ไม่ต้องทนคือเย็นสบายผ่อนคลายหรือมีความสุขอันนี้เป็นลักษณะที่เย็นเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกตัวเข้าไปรับรู้แล้วก็ไม่ไปสําคัญมั่นหมายว่าตัวรู้สึกสบายนี้เป็นเราเนี่ย มันก็จะตัดอุดวนนามรูปออกจากรูปพิสบายได้เลยมันก็จะเหลือความรู้สึกสบายโปร่งลง่งเบาสบายล้วนๆอันนี้ก็จะแยกออกนามรูปก็เหลือแต่นามล้วนๆน่ะอันนี้ไม่รู้ติดตามทันไหมคือในส่วนสาระที่สำคัญนะอยากาให้ไปพิจารณาจุดนี้เวลาเราเก็บอารมณ์ดังนั้นเองการที่เราจะต้อง มาปฏิบัติธรรมก็จะต้องรับรู้ความรู้สึกทั้ง3ามระดับนี่ให้ชัดไว้เสมอให้รู้ชัดเท่านั้นน่ะเพราะเราจะเห็นว่าในสติปัฏฐานสูตรท่านจะเน้นในระดับอยากท่านจะใช้เน้นคําว่าปัจจานาติคือรู้ชัดคัจฉันโตว่าคัจฉามีติปัจจานาติให้รู้ชัดๆว่ากำลังยืนเดินนั่งนอนแต่พอในความรู้สึกระดับกลางท่านใช้คําว่าสัมปัจจานาการี อ่าสัมปชานนะั่นใช้คำว่าอภิกันเตปฏิกเตสัมปชานาะการิโมติเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราเดินเรายืนเราเราเดินเราเลี้ยวซ้ายไหลขวาเราขึ้นไหวจนกระทั่งละเอียดลงไปหายใจเข้าออกข้ามตาปากเลี้ยวซ้ายไหลขวาความรู้สึกย่อยๆละเอียดลงไปท่านบอกว่ารู้มันให้ทั่ว แต่ประชานตินเนเีนเ่ยรูเ้เป็นจุด เ, เป็นจุดเป็นจุดให้ชัดแต่ไดระดับกลางให้รู้ให้ทั่วระดับหยาบไม่ให้รู้ให้ชัดใช่ไหมในอารมณ์ทางจิตก็เหมือนกันเช่นคําว่ า, า, าคําว่าสระคังวาจิตตังสระคังจิตตันติปัาญาติเหมือนกันความรู้สึกเป็นโรคราคาโทสโมหะ เป็นคนรู้สึกแบบหยาบๆใช่ไหมท่านก็ให้รู้ให้ชัดถึงแมว่ามันเป็นนามมารูปก็ตามแต่ให้รู้ชัดเหมือนกันเพราะมันมีรูปอยู่อแต่พอมันเป็นความรู้สึกทั่วพร้อมทั้งหมดท่านไม่ใช้ทั้งปิชายนติท่านไม่ใช้ทั้งสัมปชายกตรีท่านมาใช้คําว่าสิกขาศึกษาเช่นคําว่าสาภาวกายปฏิสังเวทีอศาศิซามีติสิคติอ่าเราจะ ถึงทำความศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมเฉพาะถึงกายทั้งหมดถ้ารู้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสามวงวงที่หนึ่งคือจุดใช้ประชานาติใช่ไหมวงที่สองขยายกว้างไว้หน่อยใช้สัมปชาญญะกาลีวงที่สามที่กว้างที่สุดเป็นสิกขิให้ศึกษานี่ลักษณะของการรู้จึงมีสามระดับเหมือนกันระดับหยาพันใช้ให้รู้ให้ชัดคือประชานาติระดับกลางให้รู้ให้ทั่วหรือว่าสาาัมปชัญะกาลี ระดับละเอียดที่สุดให้ใช้คําว่าสัศึกษาเพราะฉนั้นจึงใช้คําว่าศีลสิกขาจิตแต่สิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาที่คําว่าสิกขาที่เราไม่ใช้ว่าศึกษาเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตทีงใช้คอสอสล า, าภาษาบาลีที่ใช้คําว่า ส, สเสือน่ยมันมาจากบาลีคําว่าสกังอิคติติสิกขาผู้ใดเห็น ความเป็นเองหรือผู้ใดเห็นตนเองผู้นั้นเชื่อว่ามีการศึกษาถ้าหากว่าไม่รู้สิ่งนั้นด้วยตัวงไม่เห็นด้วยตนเองไปเห็นจากผู้อื่นสอนไปเห็นจากคนอื่นบอกไปเห็นจากคนอื่นเขียนนี่นะก็หมายความว่าไม่ได้รู้ด้วยตนเองนะถึงแม้ว่าเราจะเรียนพระไปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกปเรียนพระไตรปิฎกไปเรียนจนจบแล้วก็อ่านพระไตรปิดกจนจบก็ไม่สามารถจะบรูลุทำได้เพราะอันนั้นเราไม่ได้รู้เองเราไปจําทั้งหมด แต่พอเรามารู้ด้วยตัวเองเนี่ยแม้จะไม่อ่าน พ, พระไตรปิฎกเลยเราก็สามารถที่จะมีการศึกษาสูงได้อันนี้เกินศึกษาในในแง่ของอนามธรรมา ท, ที่เป็นโลกุตระนะฮะะนั้นเองยิงอยากจะให้พวกเราได้ดูให้ครบทั้งสามระดับระดับกลางระดับหยาบดูให้ชัดๆเช่นเวลาเกิดโทสะไม่พอใจดูอาการของความไม่พอใจเนี่ยชัดๆที่มันเกิดแต่นี่ถ้าหากก็เราฝึกเราดูเป็นใช่ไห แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเวลารู้สึกโกรธขึ้นมาเราจะดูที่ไหนดูไอ้คนที่เราโกรธใช่มหมเราก็เรียกวเป็นอาการที่เราโกรธเราไม่เห็นเลยนะไม่เห็นคนรู้สึกนั่นเลยอ น, นี้ <c oughs> คนไม่ได้ฝึกฝนพอคนฝึกฝนใหม่ๆก็ยากอยู่ในการที่จะดูอาการใช่ไหมอาการของโทสะอาการไม่พอใจมันร้อนมันเล่ามันรุ่มมันเป็นอย่างไรมันสั่นสะเทือนอย่างไรความรู้สึก แม้อาการราคากำหนัดมันเหมันกันเวลามันเล่ามันร้อนมันรุ่มขึ้นมาอาการมันเป็นอย่างไรก็ให้ดูเข้าไปสิ่งนั้นดูสิ่งนั้นว่ามันเที่ยงไหมความรู้สิกราคาโทรศัพมหามันตั้งอยู่ได้นานไหมก็ดูมันไปเรื่อยๆรื่อยเดี๋ยวก็ทั้งเห็นมันหายไปมันเกิดขึ้นร้อยครั้งพันหนก็เห็นมันร้อยครั้งพันหนุในที่สุดเขาก็เห็นการเกิดดับของกิเลสอันเป็นอย่างนี้เองแล้วเราก็มีประสบการณ์ไปร้อยครั้งพันหนุนมากลักษณะที่มันเกิดขึ้นมามันจะเกิดความเท่าไหร รุ่มร้อนใช่ไหมเกิดความรุ่มร้อนเกิดความบีบคั้นเกิดความกดดันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไหมในขณะนั้นก็เหมือนไฟเผาเรานั้นการที่เราจะเบื่อหน่ายใครจ้งในสิ่งนั้นได้หมายความ่าจิตของเราจะต้องได้เกิดรับรู้กับโทษหรือภัยของสิ่งนั้นจนจนซึ้งอะ่ะในที่สุดเกิดญาณนนนหนึ่งที่นิพพยายนใช่ไหม เกิดการเบรื่อหน่ายอย่างสุดสุดในอาการเหล่านี้เพราะฉนั้นถ้าเรารู้สึกได้รู้อาการของความกำหนัดพอดีความโลภพอดีความเพลินราคาโทรศัมหันเป็นร้อยครั้งพันหนเนี่ยเราดูมันร้อยครั้งพันหนก็เหมือนนึงว่าเราได้สมมติน้ำข้นๆเนี่ยน้ำตาลน้ําเกลืออะไรที่มันข้นถ้าเรื่อยมน้ําเปล่าไปทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นนะเป็นร้อยครั้งเป็นร้อยแก้วพันแก้วน้ํานั้นถ้าเป็นน้ําเค็มมันจะเค็มต่อไปไหม น้ำที่หวานมันจะหวานต่อไปไหมน้ำที่มันร้อนมันจะร้อนต่อไปไหมไม่ละหมดสภาพเพราะฉะนั้นสภาพของราคาโทสามันหมดมันหมดลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆมันดับปุ๊บไนเลยไม่ใช่นะแต่เพราะเราได้เจียจางทุกครั้งที่มันเกิดที่มันเกิดมาปั๊บแต่ถ้าหากว่าเราคนที่ฝึกไม่เข้มแข็งหรือยังไม่ได้ฝึกมันเกิดทุกครั้งเป็นไงเราก็เข้าไปเปลี่นมันเพราะเป็นมันเหมือนก็ไปเติมความเข้มข้นให้มันถ้าเป็นร้อนก็เหมือนไปเติมความร้อนให้มันอีกมันก็เผาเราเรื่อยไป เพราะถ้า ค, คนไม่มีการฝึกฝนหรือฝึกฝนไม่พออยังงนั้นก็ตัดไม่ได้เพราะเราเผลอไปเติมเชื่อให้มันใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ฝึกฝนดีแล้วเนี่ยก็ยิ่งเกิดก็ยิ่งเติมสิ่งนี้เข้าไปยิ่งเติมความรู้เข้าไปในนั้นลักษณะนี้นเรียกว่าสิกขิศึกษาคือการเชื่อจใจด้วยตนเองด้วยความรู้ของตัวเองไม่ใช่ถ้าหาคนอื่นบอกร้อยครั้งผลหรือถ้าเราไม่ทำเองเนี่ยมันจะเป็นไหม มันก็ไม่เป็นมันก็ยังเราฟังเทศมากี่กันฟังครูอาจารย์มากี่คนใช่ไหมไอสิ่งเหล่านี้เคยจือจ้างบ้างไหมถ้าเราไม่ทาเองมันก็ยังเข้มเหมือนเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นเลยเราต้องลงมือทําเองทําบ่อยๆเพื่อให้เกิดไอการทักษะหรือที่เราเจือจางไปท่านเชื่อว่าพิปสนายานอาญานทัศนะที่เห็นด้วยอาการว่าอาการที่เป็นรูปอนามธรรมมันเป็นอย่างเนี้ยดล้วนั้นเองว่า คนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ไม่เชื่อสนิทว่าจะไปละลาข้าทูตสามุหะได้มันละได้อย่างไรใช่ไหมเพราะมันฝังเป็นสะดานมาอย่างสนิทแล้วเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรแต่พอเรามาศึกษาคำสอนพริพุทธเจ้าอ๋อมันเป็นไปได้ไม่ยากนะเดียวว่าเรามีศรัทธาพอไม่มีความเพียรพอไม่ที่จะทำเท่านั้นเองนะดังนั้น ทบทวนอีกทีหนึ่งว่าเมื่อเราไปดูอาการทางกายทั้งสามระดับหยาบกลางละเอียดพึงใช้อาการของการเฝ้าดูสามลักษณะนี้หนึ่งดูให้ชัดสองดูให้ทั่วสามดูให้ลึกและให้ทั่วด้วยก็คือสิกติมีทั้งมิติกว้างและมิติลึกแต่ดูให้ทั่วเป็นมิติกว้างใช่ไหมและศึกษาเพื่อจะเป็นมิติลึกด้วยมันก็ยิงเจียจางลงไปลึกนะ นั่เองสิ่งเหล่านี้ราคาโทรศัมหอถูกเชียจังบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จีจังไประดับสดาบันก็เจียจังไปละใช่ไหมเจียจังเข้มข้นอันแรกคือสกิรยัติถิคือความสัมพันมันหมายผิดนีทุกครั้งเวลาเกิดขึ้นตัวเองปั๊บแทนที่จะไปกูใช่ไหมเออนึกว่ารูปนามรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไปมันก็มันก็ไม่ใช่ไปเติมแล้วใช่ไหมไม่ไปเติมกูแล้วไปเติมอัตตาแล้วเติมความรู้สึกตัวเข้าไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็อ่อนตัวลง เมื่อก่อนเขาด่าเขาว่านี่จะลมขึ้นตึกใช่ไหมรู้สึกเลยใช่ไหมพอหลายข้างก็หลายข้างก็เหลือแต่น่องเนี้ยมันมันชักเหลือขึ้นมากคุณมัวนิดหน่อยก็ได้หายไปใช่ไหมเขาบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เหลือนิดเดียวก็เป็นพระสกิทาคามีแล้วอย่างเงี้ยนะสกิงนีะแปลว่าเดี๋ยวเดียวนะสกิธาคาสกัตาคามียสกิทามนบอกเขาว่าสกิงก็ออ่าสกิคามีคือเกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวโกดก็แป๊บเดียวก็หายแล้ว เวลากำหนัดความใคร่ขึ้นมาแป๊บเดียวก็หายแล้วเวลาความเพลิดเพลินดูหนั ง, งฟังเพลงมาแป๊บเดียวก็เบื่อละเมื่อก่อนเนี่ยโอ้อินทั้งวันเลยนะดูทั้งเรื่องเลยว่าเนี่ยไม่จบเนะนี่ยเนี่ยมลักษณะอย่างเงี้ยเขาว่าเขาว่าสกิทาคาร์มีหรือสกาทาคาร์มีคืออารมณ์เกิขเกดขึ้นอาตอบสนองเดี๋ยวเดียวจบนะเพราะนั้นเองในลักษณะเงี้ยมันก็จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําแต่ว่ามันยากที่จะศรัทธาและลงมือเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราได้ รับความเข้าใจอย่างถูกต้องเรียกว่าเกิดสมาธิิแล้วเนี่ยและศรัทธาและความเพียรก็จะมาเองเพราะอะไรเพราะองค์สมาธิิและองค์สมาสกปะนี่เป็นองค์ของปัญญาเนื่เพราะฉะนั้นในแง่ขององค์มรรคเนี่ยต้องเริ่มด้วยปัญญานะแต่ในแง่ขององค์รัตนไตรทั่วไปเราเริ่มด้วยศีลใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ในแง่ขององค์มรรคภาควิปัสสนาต้องเริ่มด้วยปัญญาศีลสมาธินะดังนั้นเองเราก็อะไรเกิดขึ้นเราก็ดูไว้ก่อน ถ้าดูออกข้างนอกเป็นมิจฉาทิฐิใช่ไหมดูกลับเข้ามาข้างในเป็นสัมมาทิฐิแค่นี้เองนะถ้าดูไปอดีตอนาคตเป็นมิจฉาทิฐิถ้าดูปัจจุบันเป็นสัมมาทิฐิอนะ่ามันก็จะเห็นอย่างนี้พอเราดูปัจจุบันปั๊บความคิดความอ่านต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราดูออข้างนอกปั๊เป็นอดีนาคตความคิดต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแต่เขาประทานนะทางแยกของมาทันทีเลยนะ เพราะนั้นเราจเจริญสติเราจึงเน้นให้ดูปัจจุบันให้ชัดเนี่ยดูให้ชัดคำว่าปัจจุบันที่ท่านใช้ที่ยามาเมื่อกี้ว่าดูเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆด้านใช่ไหมที่ท่านพูดกับสุนชัยพิริภยชกสุนชัยนี่เป็นอาจารย์ของสาริบุตรมา ก, ก่อนนั่นแอละอาจารย์ท่านสาริบุตรเห็นทำขั้งแรกก็จะไปอ่ไปช่วนอาจารย์เหมือนกับพระพุทธเจ้านึกถึงอุทาการาบทอาราดาบทพระสาริบุตรเหมือนกันอ่า ไปนึกถึงเพื่อนเอาเพื่อนมาได้แต่ไปนึกถึงอาจารย์ก็ไปคุยกับอาจารย์อไปคุยกับอาจารย์เที่ยงคุยกันไปคุณมาอาจารย์สนชัยในยเหตุผลเลยสู้ท่านภาษาลิบุตรไม่ได้แต่ใ น, นสุดไม่มีทางออกเลยบอกว่าสาราบุตรในโลกนี้ถือว่าคนโง่คนฉลาดเนี่ยอันไหนมากกว่ากันออ ก, กง่ายๆเลยนะบอกคนโง่มากกว่าเพราะหาเพราะฉันหากินกับคนโง่ก็แล้วกันนะคนฉลาดมีไม่มากเท่าไหร่ไปหา ฮะอันสักยะสากยะโคดมาใช่ั้นะเอาไฟง่ายๆหรือออกน้ำคูณๆเลยนะเอาตัวรอดไปเนะียบอกว่าเราเนี่ยมันเป็นระดับาศาสนาเพราะฉะนั้นจะไปหาคนอื่นเนี่มันเสียสมาชิกหมดไม่เอานั่นนั่นเธอว่าฉลี่ยเฉลี่ไปก็เลิกกันเนี่ยแต่ว่ามาเจอต่อมาเขาบอกสัญชาติเหมืนอนชียวผู้ที่ชาตทางประวัตินะก็ยอมพู้ที่ชาติเหมือนกันนะเมื่อมันทุกถูกลุมเรามากๆพ่ออะไรยิ่งนานเข้าสาริบุตรก็เริ่มเอาลูกศิษย์นี้ไปเรื่อยๆไง ไอ้คนไหนวันนี้ก็ขอพูดรู้เรื่องกันดึงไปดูใบสันชัยในะที่สุดก็ยอมมาหาุวิทยาเหมือนกนอันนั้นเองก็อยากจะให้ช่วงเก็บอารมณ์เนะี่ยผู้ที่ให้มาเก็บอารมณ์ในช่วงบ่ายเนะี่ยไม่รู้ว่าไปดูแบบนีหรือเปล่าคุณวิทยาหรือไปดูแบบที่หลวงพ่อว่ามานีหรือเปล่า นั่แหละผู้นี้เริ่มนะผู้นี้เริ่มผู้นี้สําหรับผู้เก่าเข้าทั้งหมดทั้งวันเลยนะแล้วก็วันต่อไปให้ผู้ใหม่ลองเข้าดูบ้างทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทดสอบว่าศรัทธาและความเพียรของเรา น, เนี่เข้มแข็งแค่ไหนว่าศรัทธาก็คือตัวมุ่งมั่นที่จ ะ, ะทําความเพียรทําเป็นไหมว่าขนาดเราเข้าไปทําเนี่ยความเบื่อเกิดขึ้นความเซ็งเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้น ความปวดเมื่อยเกิดขึ้นความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยจัดการกับมันได้อย่างไรเวลาไปเก็บอารมณ์ถ้าอยู่คนเดียวมันก็เกิดเบือเกิดง่วงเกิดเงอนเห็นเพื่อนก็ใช่ไหมเกิดมีกําลังใจมีเพื่อนเชียร์อยู่ข้างๆใช่ไหมแต่ที่นี่มอาออกมาสู้เดี่ยวๆเนี่ยออกมาสู้เดียวๆจะสู้ไห ว, วไหมเนี่ยนี่คือให้มาเก็บอารมณ์เพื่อจะให้มาสู้เดียวดูบ้างนะแล้วก็เวลา เามีสถานะความเพียรมันก็เป็นการง่ายที่จะเป็นเหตุให้เกิดตัวสมาธิฏิคือกลับมาหาตัวเองกลับมาดูตัวเองแต่ในนิยามของคําว่าสมาธิฏฐิที่เป็นหลักที่ศรีก็คือให้มารู้ว่าร่างกายของเราเป็นที่ตั้งของทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นขนาะเนี้ยที่มันไม่เป็นที่พึงพอใจไม่มีความสุขเนี้ยมันเป็นการแสดงตัวของทุกข์ไม่ใช่การแสดงตัวของเราแล้วก็ดูอาการเหล่านี้เรืยๆ อันนี้ดูดูให้เห็นถูกละเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นความเบือ่อควา ม, ง, ง, มงุงมง่ ง, งความเม้าความขี้เกียจทังเลยสงสัยเนี่ยเป็นอาการของทุกทั้งหมดเราอย่าไปเป็นกับมันแต่เราเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้นิยามของอริยสัจอันที่หนึ่งนะสองให้ตามดูว่าอาการเล่าร้อนอาการพุ่นวายเหล่านี้มันเกิดมาจากอะไรตามดูไปเรื่อยๆเอาไปเอามาเราเจ๊งจือว่ามันเกิดจากที่เราคิดไปใช่ไหมไปเกิดไปรยเราไม่ไม่รู้สึกตัว เราก็มาเร่งเร่าความรู้สึกตัวให้ชัดๆอ่ะอันนี้ก็ละเหตุได้ละเหตุคือความทุกข์มันเกิดมาจากตัวที่เราลืมลืมดูอาการของมันนะอันที่สามเราก็ปรับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้เข้มแข็งให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอปรับเปลี่ยนวิธีการอย่าไปเอาแต่วิธีเดิมนั่งมันรู้สึกเบื่อเคยไปนั่งต่อไปก็พยายามดูอาการเบื่อจนเต็มที่แล้วก็ปรับเป็นยืนบ้างเปล่ยเป็นเดินบ้าง แล้ววันนี้มีใครปรับไปนอนบ้างไม่มีอาจจะมีการการปรับนอนนะฮะแล้วก็อันที่สี่เมื่อความรู้สึกตัวทั่วความชัดเจนผ่อนคลายสบายแล้วลองดูมันว่ามันเที่ยงไหมดูไปเรื่อยๆว่ามันจะจืดจางมันจะหายมันจะเฟดมันจะเลือนไปตอนไหนนะะก็ดูมันไปแต่ว่ามันเกิดแล้วมันก็ต้องดับ ใช่ไหมส่วนมันจะดับช้าดับเร็วก็อยู่กับว่าการดับกันเกิดถ้ามันสมดุลกันเมื่อไหร่หมายความว่านั่นก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้แต่เมื่อใดที่มันยังสไลด์ไปสไลด์มานะสูบกบ้างพุกบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคิดบ้างไม่คิดบ้างสไลด์ไปสไลด์มาอยู่เราก็ตามดูมจาจนกระทั่งมาจุดโฟกัสมันมาเห็นปัจจุบันชัดขึ้นปับ๊บเนี่ยแสงสว่างก็วาบขึ้นมาทีหนึ่งมันก็ดับลงไป แล้วก็วิ่งต่ออีกจิตนะวิ่งต่อไปกายไปใจไปให่แล้วก็ใช้สติสัญญาเข้าไปปรับโฟกัสเข้ามามาสู่ลงปัจจุบันอีกรอบนึงปั๊บรู้ขึ้นมาอีกเรื่อยๆประกายตัวนี้ก็สั่งสมสั่งสมไปมันก็เกิดการลุกครั้งที่มันเกิดลงล็อกปั๊บมันกเกิดการผ่อนคลายสบายอ่ะสักพักหนึ่งเนื่องจากว่าสติสัญญายัางไม่คงที่ใช่ไหมมันก็ยังไปสไลด์ไปสไลด์มาอยู่แล้วก็ปรับมันอีก ในช่วงใดประผูกปับ๊บเออวันนี้ได้อารมณ์ผ่อนคลายใช่ไหมอันนี้ก็จะเกิดได้เป็นได้วว่าได้อารมณ์ดังนั้นเรื่องของการปฏิบัติอันนี้จึงอยากจะให้ทําเป็นกระบวนการที่เห็นด้วยเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้เห็นว่ามันเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ถึงแม้มันจะเป็นนามธรรมก็ตามแต่เราพยายามสื่อความหมายเห็นว่ามันเป็นนามธรรม ท, ที่เราสัมผัสได้ก็โดยอาศัายการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวและสังเกต แต่เมื่อใดเราสามารถปรับการเกิดการดับที่มันสไลดไปสลดมาตกกลางพอดีป๊อปเลยว่าได้ลมหรือจะนั่งได้นานนะนั่งได้เป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกหนักเลยนะตัว น, นี้เขาเรียกว่ามันลงล็อกปัจจุบันละแล้วก็เมนเทนดำรงเอาไว้้นั่งสร้างจังวะเท่าไหร่อยาให้มันง่วงก็ไม่ง่วงมันจะตื่นตัวอยู่เสมอแต่ตอนที่ยังไม่ลงล็อกมันสไลดไปสไลด์มาเนี่ยทำงานงอกแงกงอกแง ก, งกไปเรื่อยๆนะ แล้วก็อย่าอย่าทิ้งความพยายามปรับไปปรับมาเดี๋ยวมันลงล็อกมันจนได้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยว่ามันพร้อมตอนไหนแล้วก็ยอมรับมันเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าถ้าอาการของจิตมันยังแกวงอยู่เนี่ยก็พยายามปรับนะคือจพยายามถ้าพยายามปรับเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าการกดในแง่ของบางกลุ่มบางคณะเขาใช้วิธีกด วิธีที่บังคับนะมันมันจะสลับก็บังคับมาให้มันอยู่ตรงเนี้บังคับมาได้เพราะมันแก็งใช่บังคับให้มันนี่อยู่ตรงนี้เอาพรเผือว่าเอามันไปทางนี้แหละเอาไปมาเหนื่อยเลยใช่ไหมอันนี้เราค่อยปกครองเอามันก็สไลด์ไปใช่ไหมเราค่อยปกครองปกครองเหมือนกับเราปกครองกับลูกไก่แจะถ้าบีบแล้วมันก็จะตายถ้าปล่อยมันก็จะอ่าหลุดร่วงปกครองท่านใช้คําว่าปกครองจิตนะปกครองมาให้มัน ให้มันแว่งไวเกินไปให้แข่งชาลงชาลงปพอปป๊อปลงที่ป๊อมันล็อกมันโตัวของมันอ่าได้อารมณ์อีกชุดใหญ่แล้วแต่มันจะอยู่ตรงนั้นนานหรือไม่นานดังนั้นเองการไปทั้งนี้มันเกิดไปทั้งนี้มันดับใช่ไหมมันจะไล่ไปพอสมมติลงล็อกปัจจุบันป๊อมันอยู่เหนือกันเกิดดับอ่าอยู่เหนือการเกิดดับปัญญ า, าเกิดว่าเลยใช่อหมอทั้งเกิดทั้งดับมาประสบกันป๊อเป็นแสงสว่างมันคั้บอกขั้ขบขลบดวงไฟอะใช่ไหม ในช่วงที่มันยังไม่เท่ากาันกับไฟมันแป๊บๆพอมันคปรับความถี่ได้ที่ปักพุ่งขึ้นมาไปแสงสว่างจีเราก็เช่นนั้นเหมือนกันนะตอนนั้นในตัวรู้เล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น น, นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นจนไปถึงภาวะที่เราชัดเจนนะนั่นเรื่องนี้ถ้าหากว่าทําความเข้าใจได้ดีมันก็ไม่ใช่เรื่อยยากแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องคนที่ทําได้สบายๆแต่ว่าประการสําคัญเราอย่าไปกีรเลเ่นนั่นเอง <c oughs> เกลียีคไปทั่วเรื่องโ น, นเรื่องนี้เอานั้นมาคิดอันนี้มาปรุงมีแต่นี่เรียกว่าเสียเวลานะเสียเวลาเหนื่อยเปล่านะดังนั้นเองที่น้องเ้าถามในช่วงบ่ายก็เรื่องเนี้ว่าเราไปพบครูาอาจารย์มากี่ท่านกี่ท่านก็ตามนะถ้าเรอย่างเอามาไม่มาปรับเป็นหลักการของตัวเองให้ได้เนี่ยมันก็ยังไม่จบนะเพราะว่าความรู้ที่แท้จริงมันอยู่ที่เรา แต่ครูอาจารย์เพียงแค่ว่าไกด์แบบว่าชี้ว่าอันนั้นอันนี้เท่านั้นเองทีนี้เราจะเอามาใช้ได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราองก็ขึ้นอยู่กับระดับความตั้งใจของเราทีนี้เราก็ไม่เท้อทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะตับใดถ้าหากสี่ของเรามันสลายไปเสเลามานี่ยเขาเรียกว่ามันมีวิบากกรรมอยู่แกว่งไปตามกําลังของกรรมใช่ไหมแรงเวี่ยขงของการเกิดดับแต่ถ้าหากว่าเราทําบ่อยเข้าเบอเข้าโกฎของสติสมญาดึงสามารถสลายกดของกรรมได้นี่ คือมันสามารถประคองอทําให้มันเบาลงเบาลงกรรมเพราะฉะนั้นคนจะมีกรรมหนักมาขนาดอย่างองคุลิมานใช่อืมฆ่าคนมากขนาดไหนเมื่ออ่ายอมรับว่าสิ่งที่ทํามามันผิดแล้วก็แสดงว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วแต่คนที่สติสัมปชัญญะไม่ดีทําอะไรผิดมาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับใช่ไหมมันกม็มีทางเดียวคือเข้าหลักประหารนนะั่ เรบฟังแต่อันนี้มายอมรับสารภาพผิดเอาเลดหนึ่งในสามเลือดในสองแล้วก็เลือแต่นะอันนี้ก็เป็นลักษณะคือว่าไทยบาปละแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งต้นใหม่นะเพราะฉนั้นไม่มีในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันไม่มีมนโลกไม่มีสวรรค์เทววรมัก็ปรับไปปรับมาอยู่เนี่ยแต่ในศาสนาอื่นคุณต้งนรกเทววรมัไปสวรรค์เทววรเลยนะแต่พุทธศาสนานโะกเปลี่ยนพร้อมไปเปลี่ยนไปสวรรค์ได้สวรรค์พร้อมเปลี่ยนเป็นนโลกได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เงื่อนไข ฉะนั้นมาถึงบอกว่าถ้าในอนาคตนักนวิทฤษฎีวิชาการทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มเข้ามานักถือพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆะพราะเขาเริ่มหาความจริงวัตถุมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าต่อไปอะไรมันกําเนิดของวัตถุใช่ไหมวัตถุกําเนิดจากอะไรก็เกิดจากนามธรรมมันก็ต้องมาเรียนรู้นามธรรมพอเรียนรู้นามธรรมถึงที่สุดปั๊บมันก็จบละในสุดก็เกิดหายสงสัย นะีแต่ว่านายอันเบิร์ตไอสไตน์เขาบอกมันเรียนรู้นาะมาทำได้ครึ่งเดียวแต่มันยอมรับควอสองผู้เจ้าอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีเวลามากขอที่จะไปสนใจมันไปจมอยู่ที่เสดีที่เป็นวัตถุฉะนั้นเราทั้งหลายก็เหมือนที่ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ในการที่จะศึกษาเรื่องนี้เป็นวิทยศาสรวิศวก ร, รของตัวเองนะที่เราจะมาไอเซตอัประบบตัวรู้ต่างๆให้ด้วยตัวเองนะเอามาก็ถามว่าไอ เขาบอกว่าเขาถามว่าเป้าหมายสูงสุดเขาคืออะไรที่ต้องไปสแสวงหาปฏิบัติอาจารย์คนนี้นทุกอย่ากลำบากเป้าปหมายสูงสุดของคุณคืออะไรบอกว่าจะพ้นทุกเงินเอ้าคุณจะไปพ้นมันทําไมทุกมันอยู่กับคุณคุณจะพ้นมันได้ยังไงแต่จริงๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้พ้นทุกใช่ไหมท่านบอกให้อะไรให้รู้ทุก ทุกต้องกําหนดรู้นะคุณผิดตั้งแต่แรกแล้วเป้าหมายคุณตั้งไว้มันผิดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยวัะนั้นให้รู้ให้รู้จักมันให้รู้จักมันเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รู้ที่ไปที่มาของมันรู้เหตุของมันแล้วรู้ที่ไปที่มาของมันแล้วก็ต้องใช้มันไม่ใช่เอามันทิ้งคุณสร้างบ้านหลังหนึ่งถ้าไม่มีน้ํามีไฟเข้านะคุณเข้าไปอยู่ไม่ได้นะใช่ไหมคุณก็ต้องเอาไฟเข้าแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เป็นวิศวกรช่างไฟะเองเนะี่ยคุณก็ต้องเสียเงินแหละ ไปจ้งวิศวกรมาติดตั้งในเรื่องของพลังงานภายนอกใช่ไหมแต่พลังงานภายในคือพลังงานทุกเคุณต้องเรียนรู้จากมันเพื่อคุณจะได้ไปเป็นอะไร mental engineering เ <c> ร <oughs> าวิศวกรทางนะทางจิตของตัวเองนะทางจิตก็คือหมายความว่าจะต้องไปจัดการนะของด้วยตัวเองก็เรียนรู้ไปจากนี่แหละเพราะนั้นที่เราปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเราเรียนรู้เป็นอะไร เป็นวิศวกรทางจิตเมนทอนอินจี in, เนียไม่ใช่นักศึกษาธรรมดาเนะ่ยายาธุปยาเอกั้งนั้นเลยเนะี่ยจะเสียค่าใช้ใจ่ายที่ถูกมากเลยใช่ไหมมีหรือเปล่าลงข้าลงทะเบียนนะไม่มีนะโอ้โหนฟรีมากเลยนะตอนนั้นต่อไปเนะี่ยทางธรรมตกเข้ามาจัดค่อยสอนเรานะี่วเขาเก็บหนักเลยนะ เ, เก็บหนักข้อลหลายพันนะ่ะ มีสามีพรรญาฝรั่งคนหนึ่งมาจากที่ภูเก็ตเขาเ็าเยเรียนรู้ไปจากของพ่อของเขียนนี่นะเขาไปจัดคอดร 3, 000, ์สคอร 4, นะ์สละสามพันคอร์สละสี่พันเราก็จะแอบไปดูเขาว่าเขาสอนกันแบบไหนกันแน่นะแต่เดี๋ยวนี้หายหา ย, หายไปแล้วเพราะเขานิมนุนพาไปบ่อยๆก็พวกคุณที่นิมนลเราไปคุณหละคุณวิศาลเนาะนะที่ภูเก็ต ก็เขาก็เริ่มต้นมาจากนั้นตอนนั้นจึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ดีๆแ น, น่นอนพวกเราจะเป็นเจ้าเจ้าสำนักขนาดนั้นะต่อไปนะถ้าไม่เริ่มปฏิบัติอย่างนั้นก็เป็นเจ้าสำนักในครอบครัวไว้ก่อนน ะ, ะมีพกูกมีพ่อมีแม่มีแล้วก็สอนหลวงพ่อเทียนก็เริ่มจากในครอบครัวมาก่อนใช่ไหมหลังจากท่านบรรุ้ธรรมเราก็ต้องเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวเองก่อนจะเริ่มคนเริ่มจากคนใกล้ตัวเองคนไกลตัวก็ไม่ยากนะ คนที่ใกล้ตัวเนี่เอาอยากที่สุดนะคนไหนจัดการได้ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าสํานักได้แล้วดัง <c oughs> นั้นก็อยากจะให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ ด, ด้วยใจนะด้วยความเข้าใจแล้วชีวิตของเรามันก็จะไม่รู้จักคําว่าทุกข์เลยน ะ, ะมันลืมไปเลยคําว่าทุกขนะ์เนี่ยแต่เรื่องความไม่สบายทุกทางกายยังมีอยู่นะแต่เราก็ไม่ถือว่าทุกข์อันนี้ก็คือความกลไกทางการบริหารจัดการ ถ้าบริหารจัดการไม่อยากให้มันทุกข์ก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราสบายเกินไปแล้วก็อ่อนแอใช่มแล้วก็ทำให้มันทุกขึ้นมาคือความเข้มแข็งเป็นพลังงานนั่ น, นึ่งอ่ะก่อนที่จบมีอะไรสงสัยไหมอืมแจ้งแจ้งชัดเจนนะผู้นี้จะได้เก็บอารมณ์กันชุดแรกเลยแหละสำหรับผู้ผู้ผู้เก่าฮะตื่นขึ้นมาก็ทำเลยผู้นี้ไม่ต้องทำวันช้า สําหรับผู้ที่เข้าวันนี้นะแต่ถ้าคุณตื่นขึ้ น, นมาในหกโมงยาอยู่คุณต้องมาทําวัดเช้านะคุณจะไปนั่งรับสลุมสลีสลต่อไม่ได้เสียเวลาตื่นขึ้นมามันเออตายใส่แจ๋วทําแล้วกับพี่กับเปล่าคุณทําต่อเลยทําไปแล้วเดินงูไปเงยมาทํำท่าจะเข้าที่นอนเหมือนเดิมคุณลิมมาที่นี่เลยนะคุณเช้าไม่ได้ถ้าเช้าแล้วมันไฟยาวเลยนะหกโมงเจ็ดโมงปลุกตื่นมากินข้าวนันไม่ไหวนะนะคุณยังลองดูนะถ้าใครอะไรนะ ก็เป็นช่วงในะช่วงไหนที่สู้ไม่ไหวก็ออกมาจอย <c oughs> จอยคอรดนะสามชั่วโมงแบบเดิมหรือเปล่าช่วงอะนะคา <c oughs> จริงแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะออกกำลังกายเป็นส่วนตัวก็ได้หรือไปร่วมกันก่อนก็ได้แล้วก็กลับมาเข้าต่อถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะทำโดยเองเป็นส่วนตัวนะก็ไปร่วมคณะก่อน พอเสร็จจากนั้นก็มาปฏิบัติอมาปฏิบัติจนกระทั่งว่าตถึงเวล า, ลารลับอาหารก็รับอาหารเพราะฉนั้นผู้ที่เข้าเก็บอารมณ์นี้ก็ต้องใช้บินโตอะไรใช่ไหมผู้นี้ก็มีสองระบบฮะใช่เลยนะบังปินโตนะอ๋อโอเคหลังอาหารเช้าเหรอมันก็ว่ได้พิจารณาอาหารเช้านะพิจารณา ออวิจารณอาหารเช้าก่อนถ้าหากว่าเราใช้เวลาช่วงเช้าหนึ่ ง, ช, ง, งชั่วโมงแอคเซชั่นพวกคุณก็กลับมาเตรียมตัวเข้าปฏิบัติต่อเลยไปถึงเจ็ดโมงเนาะม ก, ก็รับอาหารพรับอาหารเสร็จถ้าคุณไหนไม่แน่ใจรับอาหารแล้วมันอืดเอื อ, อชยชื่ชาก็ต้องออกมาปฏิบัติร่วมก่อนพราะถ้าอารมณ์ก็เข้าไปใหม่อย่างนี้นะมันจะไม่เสียเวลาถ้าคุณทุซีทำไปทํามามันเสียเวลานะ เออถ้าม า, มาร่วมเพนสักชั่วโมงถ้าว่าเออพอได้ละก็แยกตัวไปแต่ถ้าคนไหนในใจว่า ส, สามารถแก้สถานการณ์ได้นะก็ทำต่อไปเลยนะอันนี้ อ๋อถ้ามันได้อารมณ์แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ยาวเลยนะคุณสามารถนั่งไปช่วงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยที่เปลี remove, mig, way, Dog, ่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเพื่อปรับอารมณ์ให้มันได้ปัจจุบันเท่านั้นเองนะพอมันได้ปัจจุบันอารมณ์ปั๊บมันได้ที่ปั๊บมันเป็นผ่อนคลายใช่ไหมผ่อนคลายคุณจะนั่งไปยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคําว่าได้อารมณ์ตัวนั้นมันจะต้องการนั่งมันก็จะไม่ทรมานแล้วอาการงัวเงียอาการฟุ้งซ่านอมันจะไม่มีเลยนะมันจะเย็นสบายก็ทําไปเรื่อยๆอ่า อาแแสดงว่ามันยังไม่ลงตัวเพราะเวทนามันยังมีอยูอ่คุณก็ปรับมันไปเรื่อยๆเ อ, อนั่นเด็กเอาก็เอาแค่ว่าพอทุนได้อะอย่าให้มันเยอะถ้ามันเยอะนี่ทุนไม่ได้แล้วใช่ไหมการ คือคาว่าอย่าไปฝืนมันเนี่ยหมายถึงว่าเวทนามันยังยังดิ้นอยู่จิตมันยังดิ้นอยู่นะเพราะมันจิตดิ้นอยู่เวทนามก็เร่าร้อนใช่ไหมร่างกายก็เร่าร้อนไปเลยพอเมื่อใดเราเหมือนด้วยจิตเมื่อใดคิดอะไรนะแต่มันดิ้นอยู่ลึกๆอ่ะเพราะมันมันแรงเหวี่ยมก็ทําให้กายเราไม่สบายไงแต่ถ้าเมื่อไรจิตของเรามันไร้แรงเหวี่ยงแล้วร่างกายมันจะสงบสบายเพราะระบบเลื่อนลมก็จะเดินของเราเองได้สะดว แต่ว่าโดยที่จิตของเรามันมีการดิ้นอยู่นะมันถึงเล่าร้อนแล้วก็ปวดเมื่อยแล้วก็ต้องปรับหาจนกระทั่งว่ามันคามดาวลงแรงเหวี่ยงของจิตนะอ่าก็ช่วยมันหน่อยหมายความว่ามันเหวี่ยงเต็มที่แล้วมันไม่เหวี่ยงตามันเลยเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นไม้หรือมันทื่อมันมีโอกาสที่จะหักได้ง่ายนะกูก็เหวี่ยงตามันหน่อยคือเปลี่ยนที่บทตามันไปก่อนอ่าเมันฝึก นะการฝึกดังนั้นเองอาการของกายเนี่ยมันนึ่งจะอาการของจิตถ้าจิตเรายังเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่ร่างกายของเราก็เจ็บปวดเมื่อยไปตามแรงเหวี่ยงของจิตแต่เมื่อไรแรงเหวี่ยงข้าจิตมันอ่อนตัวลงร่างกายนี่ก็เริ่มสงบและผ่อนคลายนะเพราะฉะนั้นเรารู้ได้ไงว่าจิตของเรามันไม่ได้ออกแรงเหวี่ยงเข้าจิตไม่ได้ออกมาเป็นความคิดเสมอไปนะมันไปออกของการสั่นสะเทือนของอารมณ์ข้างในมันออกมาในแง่ของกายที่ไม่สบายนะเพราะนั่นความเจ็บปวดต่างๆของร่างกายมาจากจิตเท่านั้นแหละ ถ้าเราสามารถคามดาวหรือทําให้จิตของเราสงบเย็นได้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็ค่อยสงบไปด้วยนะอันนี้เป็นทฤษฎีที่บุญเจ้าว่าไว้นะว่ากายสงบเราก็เมื่อจิตสงบท่านใช้คําว่าปัจสถาน ะ, ดะได้ปีติก่อนแล้วก็เกิดปัจสถาิะร่างกายสดชื่นโปร่งเบาแล้วก็เกิดความสงบระงับแรงเหวี่ยงของจิตก็จะน้อยลงพอเป็นปัจสถทนะแล้วก็เกิดสมาธิ จิตตั้งมั่นปัจจุบันคุณจะนั่งต่อไปยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็อย่าไปลืมทานข้าวก็แล้วกันนะได้รวมจะลืมทานข้าวยาวเลยก็ได้อนี่แหละนะอาะไรไปได้มาคือให้ศึกษาแบบวิทยาศาสตร์หนะ่อยอย่าไปอย่าไปมั่วหรือทุสีหรือว่าดัานทุลังนะก็ปรับไปปรับหาเอาปรับไปปรับมามันมีช่วงมันจะได้คุณอย่าเบื่อก่อนก็แล้วกันนะให้มีมีฉันท์าหน่อยอมีฉันท์ท่านคุจะง่ายขึ้น ตัวลงไม่มีอะไรสงสัยนะตรงตัวอ๋อมันมันจะรู้เองอ่ามันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วมัาลงตัวมันก็เราอ่าดื่มน้ําเนี่ยโอ้มันรู้สึกสดชื่นนี้ไงนะไม่มีใครบอกเราก็รู้เองหรือว่าเราหิวข้าวไปทานข้าวรู้สึกมันอิ่มสบายอย่างเงี้ยนะ จะรู้ของมันเองโดยอ้าจิตลงตัวมันเข้าฌานได้แล้วน่ะเออมันก็ผ่อนคลายใช่ไหมมันจะนั่งไปยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ฌานก็เราไม่ใช่ฌานหลับตาทั้งจิตตามันลืมอยู่มันก็เหมือนไม่ลืมอ่ะใช่ไหมไม่ได้รับรู้อะไรหมูได้ฟังอยู่ก็เหมือนไม่ฟังมันก็ช็อตมันก็ชัดดาวของมันเองแต่การเคลื่อนไหวการรับรู้ยังสมบูรณ์อยู่อ่ามันก็อาจจะทงุกส่วนสแตนบายพร้อมจะรับรู้อะไรก็ได้ แต่ในช่วงนั้นไม่มีอะไรมากระทบให้ต้องมีเป็นเหตุนะนะมันก็ทำหน้าที่ของมันเข้าใจนะเพราะฉะนั้นระบบนี้อย่าไปสงสัยว่าเข้าฌานได้ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เราเข้าจะผิดว่าเข้าชานต้องนั่งหลับตาอย่างนี้นะแต่คนที่คือมีสติสัมยะ ก็นั่จิตของเรามันมันมันมันเหวี่ยงจนหมดแรงเลยนะมันก็คลายมันเลียไปเหวี่ยงเต็มที่แล้วจนกระทั่งบาดเจ็บแล้วว่างั้นเลยนที่สุดก็มันก็ยอมจำนุนน้ำเกลืแรงเหวี่ยงก็คลายไปในช่วงที่อจิตของเราลงตัวมันผ่อนคลายนี่ยูฟินมาหลังมันก็เหมือนกับเข้าไปเยียวยาทำให้มันหายไปพักหนึ่งอันนี้เป็นเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ของเขาเนาะตรงเนาะไม่มีใครสงสัยเลยนะ โอเคนะข้มทนาสาธุความตั้งใจที่ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันให้ได้องค์ของธรรมที่เราได้พยายามศึกษาเรียนรู้โดยใส่ใจเพื่อได้เห็นรายละเอียดต่างๆของกายของใจให้ชัดเจนแล้วเราก็เข้าไปทำอย่างถูกต้องเพื่อให้ความถูกต้องเนี่ยมันทำให้การเกิดการดับสมดุลกันมันเกิดเป็นแสงสว่าง ทางด ch ้านจิตใจด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ